กลับมาคณะห้าวัดมหาธาตุในครั้งนี้พระเจริญมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้สำเร็จเพราะได้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองแล้วว่าวิชาอะไรอะไรก็สู้วิปัสสนากรรมฐานไม่ได้บทเรียนที่ได้รับจากอุบัติเหตุรถพุ่งหลงเหวในคราวนั้นทำให้ท่านได้เรียนรู้ว่าคถาอาคมต่าง ใช้แก้ทุกข์ไม่ได้ช่วยให้พ้นไปจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อก็ไม่ได้หากไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาบ้างเห็นจะมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งอยู่ก้นเหวนั่นเอง กลับมาคราวนี้เธอจะต้องอยู่ให้ครบหกเดือนนะเจ้าคุณอาจารย์ออกคำสั่งครับแต่ถ้ากระผมอยู่ครบหกเดือนก็ยังเรียนไม่สำเร็จอีกกระผมจะขออยู่ต่อจนเรียนสำเร็จจะได้ไหมครับพระหนุ่มถามเพราะได้ตระหนักแล้วว่าบุคคลที่นั่งต่อหน้าท่านนี้มีความสำคัญต่อท่าน และพระศาสนามากมายเพียงใดถ้อยคำของหลวงพอ่อในป่ายังก้องอยู่ในโสตประสาทอาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้เธอจะเรียนจบก่อนหกเดือนแน่นอนแต่ที่ยังไม่ให้เธอกลับเพราะต้องการให้เธอหาประสบการณ์ในวันข้างหน้าเธอจะเป็นครูบาอาจารย์สอนเขาจึงควรหาประสบการณ์ไว้ให้มาก จะได้แก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ตรงจุดเป็นต้นว่าถ้าเขาเกิดสภาวะทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องแนะนำว่ายังไรใช้อะไรมาแก้หรือถ้าเขาเกิดความเบื่อนายหอทไหตจะต้องพูดให้กำลังใจอย่างไรเรื่องการปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมากแต่ละคนทำกรรมมาไม่เหมือนกันเมื่อมาปฏิบัติอาการที่ปรากฏจึงแตกต่างกันออกไป หากผู้สอนมีประสบการณ์ไม่มากพอก็จะช่วยเขาไม่ได้หรือแนะนำเขาไปอย่างผิดๆทำให้เขาต้องเสื่อมจากประโยชน์อันควรได้ควรถึงเหตุใดท่านเจ้าคุณอาจารย์จึงให้เนนทองดีกลับไปก่อนละครับน่าจะให้เขาอยู่หาประสบการณ์ก่อนเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะไม่ต้องไปสอนใครคนเราใช่จะเหมือนกันไปเสหมดทุกคน บางคนเรียนเก่งแต่สอนไม่เป็นส่วนคนที่สอบตกแล้วตกอีกกลับสอนเก่งก็มีทมเถไปพระเจริญรู้สึกว่าเจ้าคุณอาจารย์ว่าท่านจึงแก้ตัวไกลว่าก็พระอาหารหันยังไม่เก่งเท่ากันเลยนี่ครับไม่เช่นนั้นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกหรือครับนั่นสิ ทีนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันจึงต้องให้เธออยู่จนครบหกเดือนส่วนเนนทองดีไม่ต้องอยู่เข้าใจแล้วครับกระผมขอตั้งสัจจะต่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าจะตั้งใจปฏิบัติจะไม่เกียจคร้านเหมือนที่แล้วแล้วมากระผมได้ประจักษ์แล้วว่าวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปฐานสี่นั้นมีอนิสง์มากกระผมรอดตายมาได้ เพราะวิปัสนาแท้ๆแล้วท่านจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าคุณอาจารย์ฟังเล่าจบจึงถามว่าที่กระผมไม่ตายเพราะอ น, นิสงค์ของวิปัสนาใช่ไหมครับถูกแล้วพระอุดมวิทยานตอบและอธิบายต่ออีกว่าก่อนจรูนวิปัสนาตามแนวสติปฐานสี่นั้น มีอนิสง์สามประการคือหนึ่งระลึกชาติได้สองเห็นกฎแห่งกรรมและสามเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เธอได้รับอนิสง์ครบสามข้อนี้แล้วหมายความว่าอย่างไรครับกระผมระลึกชาติไม่ได้นะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มรีบออกตัว ทำไมจะไม่ได้การระลึกชาติได้นั้นไม่ได้หมายความเฉพาะระลึกชาติที่แล้วแล้วมาได้เท่านั้นการที่เธอจำได้ว่าเมื่อเธอเรียนประถมศึกษคยรับจ้างเผาบ้านเขานั่นแหละคือการระลึกชาติได้และการที่เธอต้องนอนหนาวอยู่ในเหวรู้ว่าที่เป็นเช่นนั้น เพราะเคยทำให้คนอื่นเขาหนาวก็แปลว่าเธอได้เห็นกฎแห่งกรรมแล้วใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นต้องมาสนองไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเช่นนั้นกระผมก็ได้อนิสงเพียงสองข้อครับส่วนข้อที่สามยังไม่ได้ลูกศิษย์พยายามโต้แย้งได้สิ ก็ตอนเธอไปเรียนวิชากับหลวงพ่อลีภายหลังเกิดปัญญาอย่างรู้ว่าวิชาอะไรอะไรก็สู้วิปัสสนากรรมฐ า, านไม่ได้และตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะต้องกลับมาเรียนต่อให้สำเร็จนี่ไม่ใช่อาณิสงฆ์ข้อที่สามหรอกหรือพระเจริญศรัทธานในเจ้าคุณอาจารย์อยู่แล้วเมื่อท่านรู้ในสิ่งที่มิได้เล่า ก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นพระหนุ่มเล่าเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุส่วนเรื่องไปเรียนวิชาสเสดาะลูกกุญแจกับหลวงพ่อหลีวัดบางปิ้งท่านมิได้เล่าแต่เจ้าคุณอาจารย์กลับรู้อย่างนี้นี่เองหลวงพ่อในป่าถึงได้บอกท่านว่าอาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้เอาล่ะเธอกลับไปปฏิบัติที่ห้องได้แล้ว อ๋อเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ตอนเย็นไปวัดปากน้ำกับฉันวัดปากน้ำภาษีเจริญนะเลยครับจะมีปากน้ำไหนอีกละ่ะเจ้าคุณอาจารย์จะไปทำอะไรหรือครับไปสอบอารมณ์ให้ลุงพ่อสดนะสิท่านมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานช่วงที่เธอกลับไปวัดพรมบรุรีมาพักที่คณะห้า เจ็ดคืนเจ็ดวันหลังจากนั้นท่านก็กลับไปปฏิบัติต่อที่วัดและมาสอบอารมณ์ที่นี่ในช่วงเย็นฉันเห็นว่าท่านอายุมากแล้วเดินทางไปมาลำบากเลยรับอาสาไปสอบอารมณ์ให้ท่านที่วัดปากน้ำพระอุดมวิทยานบอกกล่าวพระเจริญแสนจะดีใจ ที่จะได้ไปกราบครูบาอาจารย์ท่านก้มลงกราบเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งกำลังจะลุกออกมาก็พอดีลูกศิษย์เข้ามาบอกว่าหลวงพ่อครับมีพระจากสำนักอภิธรรมจะมากราบหลวงพ่อให้เข้ามาได้เลยไหมครับถ้าเช่นนั้นเธออยู่ก่อนเดี๋ยวจะได้ฟังอะไรดีๆเจ้าคุณอาจารย์บอกพระเจริญแล้วพูดกับเด็กหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์ว่า บอกให้ท่านเข้ามาได้พระเจริญจึงต้องนั่งลงที่เดิมตามคําสั่งของเจ้าคุณอาจารย์ลูกศิษย์ออกไปได้สักครู่ภิกษุรูปหนึ่งก็เข้ามาในห้องกราบเป็นจงังค่ะประดิษฐ์สามครั้งแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์จำกระผมได้ไหมครับที่เคยมาเรียนวิปัสสนาที่นี่เมื่อสองเมื่อสองปีก่อน จำได้สิอยู่อำเภออุ่มพางจังหวัดตากใช่ไหมละ่ะครับกระผมมาเรียนอภิธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านปริยัตเพิ่ง ม, มาถึงได้สักครู่เข้าที่พักแล้วก็รีบมากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์นี่แหละครับพิกสุวัยสามสิบเศษรายงานอ๋อพักอยู่คณะไหนละ่ะคณะยี่สิบสองครับ พระอุดมวิทยาหันมาบอกพระเจริญว่านี่มาหาสมชัยเคยมาเรียนวิปัสสนาที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วพระเจริญจึงทำความเคารพผู้มาใหม่ด้วยการไหว้กระผมมีเรื่องอัศจรรย์จะเล่าถวายครับพระมหาสมชัยบอกกล่าวไหนเล่าไปสิเจ้าคุณอาจารย์บอก ความจริงท่านรู้ตั้งแต่ลูกศิษย์เข้ามาบอกว่ามีพระจากสำนักอภิธรรมจะมากราบหลวงพ่อแต่ท่านต้องการให้พระเจริญได้รับรู้ด้วยคือเมื่อวันซืนโยมที่ปลูกบ้านอยู่ข้างวัดถูกธรณีสูบครับงั้นหรือแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุมาจากอะไรพระอุดมวิทยาถาม เพราะเขาตีแม่ครับกระผมเห็นกับตาคนมาดูกันทั้งอำเภอหน้าแปลกมากเลยครับท่านเจ้าคุณอาจารย์คนที่เป็นญาติกับแกเล่าว่าโยมคนนี้แกเอาลูกชายมาให้แม่ช่วยเลี้ยงตัวเองไปทำนาแม่ก็แก่งกงเงินเงินเลี้ยงหลานท่านไหนไม่ทราบหลานพลัดตกใต้ทุนหัวแตกลูกชายกลับจากนามาเห็นก็โกรธแม่แทนที่จะคิดว่า ลูกของตัวซนตามประษาเด็กกลับไปโทษแม่ว่าเลี้ยงหลานไม่ดีใช้ไม้ขัดหม้อข้าวตีแม่ใหญ่เลยแม่ก็กลัวยกมือไหว้ลูกชายประหลอกประหลอกลูกชายก็ไม่ฟังเสียงตีแม่เสียงดังยังจะตีวัวตีควายชาวบ้านมาห้ามก็ไม่ฟังแม่ก็วิ่งหนีลงเรือนมาลูกชายก็วิ่งตามพอพ้นหัวกระไดธรณีสูบเลยครับ สูบมิดเลยหรือครับพระเจริญถามยังไม่มิดดอกครับคือแกยืนนิ่งอยู่กับที่ขยับขยื่นไม่ได้ร้องว่าโอ้ยแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบแม่ก็หันมาดูแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะกลัวลูกจะตีเอาอีกพอแกร้องเช่นนั้นชาวบ้านก็พากันมาดูปรากฏว่าเท้าทั้งสองของแกจมลงไปในดินถึงตาตุ่มเขาก็ช่วยกันชุด ก็จุดไม่ขึ้นมีคนบอกว่าให้ขอขมาแม่เสียแกก็ยกมือประนมบอกแม่ว่าแม่จ๋าลูกขอโทษโปรดอโหสิกให้ลูกด้วยแม่เห็นฉชนั้นก็เดินเข้ามาใกล้แต่ก็ยังมีท่าทางหวัดหวาดกลัวลูกจะตีแล้วแม่อโหสิกรรมให้ลูกไหมครับพระหนุ่มถามทั้งที่ค่อนข้างแน่ใจว่ามารดานั้นรักบุตรสุดชีวิต ย่อมให้อภัยลูกได้เสมออโฮสิกครับแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ถือโทษโกรธลูกขอให้แม่พระธรณีจงอย่าลงโทษลูกเลยแต่ก็ไม่สำเร็จครับพวกชาวบ้านช่วยกันชุดแม่ก็ช่วยแต่ชุดไม่ขึ้นค่อยๆจมลงจมลงทีละนิดจากตาตุ่มก็ถึงข้อเท้าถึงหน้าแข้งสมภารวัดท่านก็ไปดู ท่านให้คนไปหาเชือกเส้นใหญ่ๆมามัดตัวโยมคนนั้นแล้วให้ชาวบ้านช่วยกันดึงปรากฏว่าเชือกขาดพวกทหารตำรวจก็พากันมาดูเต็มไปหมดนายทหารคนหนึ่งจึงสั่งให้ไปนำเฮลิคอปเตอร์มาประมาณชั่วโมงเศษเฮลิคอปเตอร์ก็มาวนอยู่เหนือศีรษะโยมคนนั้นธรณีสูบเข้าถึงแค่ไหนแล้วครับท่านมหาพระหนุ่มถามอย่างสนใจ ท่านคิดว่านี่คือประสบการณ์ที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนญาติโยมในวันข้างหน้าถึงหัวเข่าครับคนในเฮลิคอปเตอร์ย่อนลวดสลิงลงมาให้จับเขาจับแล้วก็ปล่อยบอกว่ามันเหมือนแขนจะหลุดออกไปคนที่พยายามช่วยเหลือก็จนปัญญาไม่มีใครช่วยเขาได้แม่ก็เข้าไปกอดลูกไว้กระทั่ง แผ่นดิมค่อยๆกลืนลูกไปต่อหน้าต่อตาเป็นเรื่องที่สร้างความสลดหดหูให้กับผู้ที่พบเห็นมากครับท่านเจ้าคุณอาจารย์มหาสมชัยเล่าภาพเหตุการณ์เหล่านั้นยังติดหูติดตาท่านเหมือนดังว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองแมถอดชันมีเฮลิคอปเตอร์จะต้องบินไปดูให้เห็นกับตาเลย พระอุดมวิชยานพูดขึ้นท่านจะคุณไม่เชื่อหรือครับมหาวัยสามสิบเศษถามเชื่อสิทำไมฉันจะไม่เชื่อเพียงแต่อยากไปเห็นกับตาวเวลาไปเล่าให้ลูกสิทธิ์ลูกหาฟังมันจะได้มีน้ำหนักกว่านี้หรือถ้าดีถ่ายรูปไว้ยิ่งดีมีคนถ่ายรูปไว้บ้างไหมไม่มีครับ คงจะตกตะลึงกันจนลืมนึกถึงเรื่องนี้มหาสมชัยตอบพระเจริญพูดขึ้นว่าผมเคยอ่านพบในพุทธประวัติว่ามีคนถูกทรณีสูบเช่นพระเทวทัตนางจินจมานวิกานันทมานพเป็นต้นไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในยุคนี้หรือท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับ ท่านถามพระอุดมวิชยาน่านก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกและไม่น่าจะเกิดได้ในยุคนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนี่แหละคนบาปหนามากๆแม้แผ่นดินก็รองรับไว้ไม่ได้อย่างพระเทวทัตที่ถูกทรณนสุปเพราะคิดจะปลงพระชนพระพุทธเจ้า ทั้งที่พระพุทธองค์เป็นอุปัชฌาของตนเธอทั้งสองเอาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เลยว่าการทำร้ายพ่อแม่หรือครูอุปชัชฌาอาจารย์นั้นบาปหนักครับกระผมคงจำภาพโยงคนนี้ไปจนตลอดชีวิตคนมาดูนับพันเลยนะครับถ้าหากว่าคนชั่วถูกลงโทษแบบนี้บ่อยๆ คงไม่ต้องมีคุก ม, มีตารางให้เปลิองงบประมาณแผ่นดินนะครับผมเห็นด้วยครับพระเจริญคล้อยตามแล้วพูดอีกว่าแต่คุกตารางก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนนิสัยคนนะครับผมเห็นบางคนติดคุกเพราะไปปล้นฆ่าเข้ามาพอพ้นโทษก็กลับไปปล้นเขาอีกแสดงว่าคุกเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้นั่นสิบางคนออกจากคุกตอนเช้า พอบายก็กลับเข้าคุกอีกไม่รู้จักหลากจำมหาสมชัยเห็นด้วยพระอุดมวิชา ย, ยานจึงพูดขึ้นว่าก่อนจะเปลี่ยนนิสัยคนได้จะต้องให้เขาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่ฉันก็รับนิมนต์ไปสอนที่คุกบางขวางสอนมาได้เดือนเสร็จแล้วแต่ก่อนเขานิมนต์พระไปเทศ สอนนักโทษปรากฏว่าไม่ได้ผลเพราะการฟังอย่างเดียวไม่ทำให้เขาทราบซึ่งจนถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยได้แต่พอมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างจิตใจเขาจิตก็ห้องใสใจก็สะอาดขึ้นพอพ้นโทษออกมาก็จะลาบจำไม่ทำผิด พวกเขาตั้งใจปฏิบัติกันเดียวหรือครับมหาสมชัยถามแรกๆเขาก็ไม่ตั้งใจหรอกโดยเฉพาะพวกเสือชื่อดังที่เคยปล้นข้ามามากพวกนี้จิตหยาบไม่ยอมรับคุณความดีฉันไปสอนให้เดินจงกลมก็ทำท่าหึดหัดเข้าใส จนลูกศิษย์ที่ไปด้วยกลัวว่าจะมาทำร้ายฉันแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์กลัวไหมครับพระเจริญถามคอเสียวๆอยู่เหมือนกันพระอุดมวิทยาณตอบพลางหัวเราะหึๆแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายใช่ไหมครับมหาวัยสามสิบเศษถามบ้างทำร้ายร่างกายน่ะไม่มีมีแต่พูด ยอเย้ยถากถางเช่นเวลาท่านไปถึงบ้างคนก็แกล้งพูดว่าเฮ้ยตูพระไตรปิฎกเคลื่อนที่มาแล้วบ้างก็ว่าเฮ้ยหลวงพ่อหน้อมาแล้วอะไรทำนองนี้เจ้าคุณโชดกเล่าให้สิทธิในอดีตและสิทธิปัจจุบันฟังทำไมเรียกหลวงพ่อหน้อล่ะครับพระเจริญถาม ก็เวลา่ันสอนขวายย่างเนาะไส้ ย, ย่างเนาะพองเนาะยุบเนาะเขาได้ยินหลายเนาะเข้าคงจะรำคาญเลยเรียกฉันว่าลุงพ่อหเนาะเป็นการแก้แค้นเจ้าคุณวัยสี่สิบเล่ายิ้มยิ้มแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์กโกรธไหมครับลูกศิษย์ที่มาจากวัดพรมบุรีถาม ไม่โกรธหรอกฉันจะโกรธทำไมให้บาปเปล่าๆแต่ก็นึกเคืองอยู่เหมือนกันตอนที่มีคนหนึ่งพูดลอยๆว่าเตีย่ยหม้อต่อเหมือนต่อมออยุง้งเพราะไอ้คนที่พูดมันสวยอย่างกับพระเอกลิเกแล้วเจ้าคุณอาจารย์โต้ต่ อ, ตอ บ, บ้างไหมครับเป็นคำถามของลูกศิษย์จากอำเภออุ้มหาง เมื่อถูกซักไซดเช่นนี้เจ้าคุณอาจารย์จึงต้องตอบไปตามจริงว่ากดโตส้สิฉันตอบนายคนนั้นไปว่านี่เธ อ, อยังมาพูดถากถางเรื่องรูปร่างของฉันนะถือว่าตัวรูปสวยเรื่องไงถึงได้มายะเย้ยคนรูปไม่สวยอย่างฉันรู้ไว้ด้วยว่าอย่างเธอนะี่ยเขเรียกข้างนอกสดใสข้างในเป็นโปรส่วนฉันน่ะเรือข้างนอกคลุกคละ ข้งในตะติ่งโนเพราะฉันว่าอย่างนี้เจ้าหมอนนั่นอ้าปากค้างเลยเจ้าคุณโชดกเล่าถึงชัยชนะเงียบกันไปพักหนึ่งผู้อาวุโสที่สุดในห้องก็ถามขึ้นว่าพวกเธอเคยได้ยินชื่อเสือใบไหมเสือใบสุพรรณบุรีใช่ไหมครับพระเจริญถามยุคนี้ไม่มีใครโด่งดังเท่าเสือใบ กิติศัพท์ของเสือใบคือปล้นฆ่าแล้วก็หนีได้ทุกครั้งแต่ในที่สุดก็ถูกจับติดคุกเพราะไม่มีใครหนีพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไปได้นั่นแหละหมอคนนี้สำคัญมากแรกๆไม่ยอมรับฉันเลยฉันก็สอนไปแผ่เมตตาให้เข้าไปเพราะดูหน้าก็รู้ว่าคนนี้ จะไปเป็นครูสอนวิปัสสนาในอนาคตเขาก็ฮึดฮัดใส่ชันอยู่หลายวันพอจิต ด, ดีขึ้นดีขึ้นก็ค่อยๆ ย, ยอมรับชันปฏิบัติแค่สองวันพระก็ได้ญาณสิบหกเป็นคนแรกและคนเดียวที่ได้เขาก็ร้องไห้มากราบที่เท้าชันขออโหสิ ก, กรรมแล้วก็สารภาพว่า เขาปล้นฆ่ามายี่สิบรายตำรวจจับไม่ได้เลยมาจับได้เอารายที่21สซึ่งเขาถือว่าเขามีบุญที่ได้มาอยู่คุกบางขวางเพราะเกิดระลึกชาติได้และเห็นกฎแห่งกรรมว่าถ้าเขาไม่ติดคุกญาติพี่น้องของคนที่เขาฆ่าเป็นรายสุดท้ายจะต้องตามฆ่าเขา จนถึงแก่ความตายเขาตั้งปณิธานต่อหน้าฉ่นว่าจะไม่เป็นโจรอีกหากพ้นโทษออกไปจากคุกก็จะไปตั้งสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานที่สุพรรณบ้านเกิดจะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่เขาฆ่าตลอดจนญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขา อโหสิกรรมฉันดูหน้าเขาแล้วรู้ว่าเขาต้องทำได้อย่างที่พูดอีกนานไม่ครับเขาถึงจะพ้นโทษมาหาสมชัยถามนอนเหมือนกันเพราะเขาเพิ่งติดคุกได้เป็นปีแรกโทษเขาถึงประหารชีวิตแต่ได้รับลดย่อนให้เหลือยี่สิบปีแต่ฉันรู้ว่า เขาจะไม่ต้องติดคุกถึงยี่สิบปีหรอกเพราะอะไรหรือครับพระเจริญถามเพราะอานิสงส์ของวิปัสสนากรรมฐานน่ะสิเธอสองคนคอยดูนะว่าเขาจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมในวันที่ห้าธันวาคม2506ซึ่งเป็นวันที่องค์พระมหาบพิษสมผานเจ้า ของชาวไทยจะทรงมีพระชนมายุครบสามรอบเสือใบจะได้รับพระราชทธานอภัยโทษและเขาจะไปสร้างความเจริญให้กับพระศาสนาเธอสองคนคอยดูก็แล้วกันว่าจะเป็นไปตามที่ชันพยากรณ์หรือไ ม, ม่สรุปก็คือต้นคดปลายตรง ก็ยังดีกว่าต้นตรงปลายคดใช่ไหมครับมหาวัยสามสิบเศษพูดขึ้นคำพูดของมหาสมชัยช่างสกิดใจพระเจริญนักนึกอยู่เสมอว่าตัวท่านนั้นได้ชื่อว่าต้นคดหากก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าแม้ต้นจะคดหากปลายนั้นจะตรงแนว่วไปให้ถึงพระนิพพานนั่นเทียว